9. การเห็นจิตเกิดดับสามารถถอดถอนความเห็นผิดได้จิตขึ้นรับวิถีขึ้นรับอารมณ์ไปนะเศพษอารมณ์เต็มที่จะตกภวังจะมีช่องว่างมาขั้นอันหนึ่งไม่มีกายไม่มีจิตหายไปหมดและเดี๋ยวจิตดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีช่องว่างมาขั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นอย่างนี้สัน ต, ติมันขาดความต่อเนื่องมันขาด แต่เดิมเราไม่เคยเห็นความต่อเนื่องของจิตเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตของเราตั้งแต่เด็กๆจนเดี๋ยวนี้ก็ดวงเดิมแต่การที่เราฝึกจนวิปัสสนาญาณมันเกิดเห็นความเกิดดับจริงๆว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขัน้นมีดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เราเห็นจิตเกิดดับนี้สําคัญมากนะถึงวันหนึ่งใจมันจะยอมรับความเป็นจริงว่าจิตนี้เกิดดับจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถึงตรงนี้จะเข้าถึงธรรมะ บางคนเห็นจิตเกิดดับมีช่องว่างมาขั้นบางคนเห็นขันแตกกระจายไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวกระจายออกไปแต่ละตัวทำหน้าที่ของตัวเองแล้วแต่ละตัวที่ทำหน้าที่ของตัวเองนั้นไม่มีตัวเราแทรกอยู่เลยอย่างนี้ก็ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้